ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตาปรพระบุพพสิขาและบุพพสิขาวันน า, นาพระอมราภิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในข้อที่หกชื่อว่าอาปติเทสนานิปปพระ ว่าด้วยวิธีมีการแสดงอาบัตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงภิษุแกล้งต้องแล้วย่อมเป็นอานาวีติกมันตรายิกะคือทำอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผลนิพพานเพราะโทษที่ล่วงอาจาของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นต้องแล้วส่วนอาบัตที่เป็นวุฒานาคามินีพึงบอกเสียแก่ภิษุที่เป็นสภาฆะแล้วพึงออกเสียด้วยการอยู่ปฏิวาติและประพฤติมานัเถิ ส่วนอาบัติซึ่งเป็นเทศนาคามเนีตั้งแต่ทุนลัดใจเมื่อต้องแล้วพึงแสดงเสียแก่สงหรือคณะหรือบุคคลแสดงแกสงแสดงแกคณะจกยกไว้จะ ก, กล่าวแต่แสดงแก่บุคคลพิกษุผู้ต้องนั้นพึงเข้าไปหาภิสุรูปหนึ่งนั่งยองยกมือประนมทราบแก่กว่าผู้รักพึงกล่าวว่า อะหังอาวุตโตเอกังทุลัดจะยังอาปติงอาปันโนตังปฏิเดเสมิดังนี้ถ้าอ่อนกว่าผู้รับพึงกล่าวว่าอะหังพันเตเอกังทุลัดจะยังอาปะติงอาปันโนตังปฏิเดเสมิทั้งสองอย่างแปลว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอาบัติทุลัดใจตัวหนึ่งข้าพเจ้ากลับแสดงอาบัตินั้นผู้รับอ่อนกว่า พึงกล่าวว่าปัสสะพันเตแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเห็นอยู่แลหรือถ้าแก่กว่าก็พึงว่าปัสสี umm. อวุโสแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเห็นแลหรือผู้แสดง birthday, แก่กว่าก็พึงกล่าวว่าอามะอวุโสปัสสามิแปลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุครับผมข้าพเจ้าเห็นอยู่ละถ้าอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าอามะพันเตปัสสามิแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ คระบผมข้าพเจ้าเห็นอยู่ละผู้รับอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าอายติงพันเตสังวริยธะแปลว่าถ้าแต่ท่านทุจรเรนท่านทั้งหลายพึงสำรวมต่อไปเถิดถ้าแกกว่าก็พึงกล่าวว่าอายติงอาวุโสสังวรยาิแปลว่าดูก่อนท่านผุ้มีอายุท่านพึงสำรวมต่อไปเถิดผู้แสดงแกกว่าก็พึงกล่าวว่าสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิถ้าอ่อนกว่าก็พึงกล่าวว่าสาธุสุตถูพันเตสังวริสามิ สองอย่างแปลว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีละท้าวเจ้าจักสํารวมด้วยดีถ้าอาบัตสองตัวก็พึงกล่าวตามตนแก่อ่อนนะว่าอาหารอาวุโสหรือว่าอาหารพันเตเดเวทุนรัจยาโ ย, าย ο, อาปาติโยอาปันโนตาปฏติเดเสมิอังนี้เมื่อผู้รักกล่าวตามอ่อนหรือว่าแก่ว่าปัสสะพันเตหรือว่าปัสสิอาวุโส ดังนี้แล้วก็พึงกล่าวตามแก่หรือ Android ว่าอ่อนว่าอามะอาวุโสหรือว่าอามะพันเตปัสสามิดังนี้เมื่อผู้รับกล่าวตามอ่อนหรือว่าตามแก่ว่าอายติงพันเตหรือว่าอายติงอาวุโสสังวริยธาหรือว่าสังวริยติดังนี้แล้วก็พึงกล่าวตามแก่อ ouais ่อนว่าสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิหรือว่าสาธุสุตถุพันเตสังวริสามิดังนี้สามครั้งเป็นความดี ครั้งเดียวสครั้งสามครั้งได้ถึงนั้นนะสาครั้งอ่ะเป็นความนิยมกันถ้าอบัติสามตัวขึ้นไปก็พึงกล่าวว่าอะหังอาวุโสหรือว่าอะหังพันเตสัมปหุลาทุลัจยาโยอาปาติโยอาปันโนตาปติเดเสมิต่อไปก็ว่าเหมือนเดิมก็คือปัสสิอาวุโสหรือว่าปัสสะอาวุโสอาจจะติงอาวุโสเจริยาสีอมาอาวุโสหรือว่าอมาพันเตปัสสามิ อายติงพันเตหรือว่าอายติ่งอวุโสสังวริยาสีสาธุสุตถูอวุโสสังวริสามีหรือว่าสาธุสุตถูพันเตสังวริสามีก็ตามแก่หรือว่าตามอ่อนนั่นแหละถ้าอาบัติมีวัตถุต่างๆการก็พึงกล่าวว่าอะหังอาวุโสสัมบัหุลานานาวัตถุกาโยทุลจัจยาโยอาปติโยอาปันโนตาปฏิเดเสมิหรือว่าถ้าอ่อนฟ้าก็อะหังพันเตสัมบัหุลานานาวัตถุกาโย สุลจัจยาโยอาปฏิโยอาปาโนตาปฏิเดเซมิกพว่าเหมือนเดิมก็คือถามว่าปัสสิอวุโสหรือว่าปัสสะพันเตหรือว่าปัสสีอาวุโสอามะอุโสปัสสานิหรือว่าอามะอพันเตปัสสานิอะติงพันเตสังวริยาธาหรือว่าอะติงีอาโสสังริสีสาธุสุตตุอวุโสสังวริตสามิหรือว่าสาธุสุตุพันเตสังวริสามิข้อความก็เหมือนเดิมเวลาตอบรับ ในอาบ student, ัติอื่นก็ให้เปลี่ยนชื่อไปดังนี้เถิดว่าอาหังอวุโสหรือว่าอาหังพันเตอังนิสักยังปาจิตยังหรือว่าเอกังปาจิตยังหรือว่าเอกังดุกะตังหรือเอกังทุพาสิตังอาปัดติงอาปันโนปัดเดเสมิเหมือนกันอปันโนตาหรือว่าอปันโนถ้าหลายตัวก็เป็นตาถ้าตัวเดียวก็เป็นตังอาปันโนตังปัดเดเสมิหลายตัวก็เป็นตาปัิเดเสมิ ถ้าสองตัวก็ให้ว่าเดเวถ้ามากแต่สาตัวขึ้นไปก็ให้ว่าสัมบหุลาถ้ามีวัตถุต่างๆกันก็ให้ว่าสัมบหุลานาน า, นาวัตถุกาโยดังนี้เถิดแต่อบับทุภาสสิตไม่ต้องว่านาน า, นาวัตถุกาโยเพราะว่ามีอยู่สิกขาบทเดียวในสิกขาบทที่เป็นโอมาสวาสข้อด่าพิสุจตวดาดเพื่อเล่นก็ต้องอับทุภาสิตอบับตปาติเดสัญั้นทําแสดงอยู่ในท้ายสิกขาบทนั่นเอง พึงรู้ดังกล่าวแล้วในปาติเดสัญญะวันนหน้านั้นเธอดก็แสดงคืนทั้งหา้าข้าเจ้าต้องอาบัตข้าพเจ้าไม่เป็นที่สบายควรจะแสดงคืนข้าพเจ้าขอแสดงคืนทงนั้นแต่นิสกิยาปิติยาบัตนั้นเมื่อต้องแล้วพึงสละของซึ่งเป็นนิสกีแก่สงหรือว่าคณะหรือบุคคลเสก่อนแล้วจึงแสดงอาบัตนั้นเถิดเสียสละแก่สงหรือว่าเสียสละแก่คณะจักยกไว้จะกล่าวแต่เสียสละแก่บุคคล ถ้าอติเรชีวอนแห่งพิกษุล่วงสิบวันเป็นนิสสกีเธอนั้นพึงเข้าไปหาพิสุรูปหนึ่งทำผ้าห่มชว่วยงบาข้างหนึ่งแล้วก็นั่งยองยกมือประนมตามแก่ตามอ่อนนะนะว่าอีดังเมอาวุโสอันนี้ก็ว่ากับผู้ที่อ่อนกว่าหรือว่าอีดังเมพันเตว่ากับผู้ที่แก่กว่าตัวเองอ่อนกว่า อิ ah ant ant an ดังเมอาวุโสจิวะรังด้าสาหาติกันตังนิสักียังอิมาหังอายะสมโตนิสัชามิดังนี้หรือจะถือเอาเนื้อความนั้นกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าแต่ท่านภูมิอายุหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันแล้วเป็นนิสักีข้าพเจ้าเสียสนะผ้านี้แก่ท่านภูมิอายุถ้าเป็นสง์ก็ข้าพเจ้าเสียสนะผ้านี้แก่สงถ้าเป็นคณะก็เสียสนะแก่ท่านทั้งหลาย เชื้อสละดังนี้แล้วพึงแสดงอาบัตินั้นแก่ผู้รับดังกล่าวแล้วก่อนเชิญแล้วผู้รับพึงคืนผ้านั้นให้ด้วยคําว่าอิมางชีวะรังอายะสมะโตดัมมิข้าพเจ้าให้ผ้าผืนนี้แก่ท่านดังนี้หรือจะคืนด้วยภาษาของตนก็ได้ว่าข้าพเจ้าให้ผ้าผืนนี้แก่ท่านถ้าผู้รับไม่คืนให้ต้องทุกกดเผื่อเขาสละเขาให้ผ้าก็เลยนึกว่าเขาให้จริงๆงจริงแล้วเป็นวินัยกรรมเท่านั้นเองเชื้อสละ แล้วก็แสดงอภัยแต่ว่าต้องคืนให้เจ้าของเดิมเขาถ้าผ้าสองเผื่หรือว่ามากเสร็จสละเป็นสามบาลีก็ว่าอิมานิเมอาวุโสหรือว่าอิมานิเมพันเตจีวราณิดาสาหาติกันตานินิสักขิยานิอิมาณหังอายสัมโตนิสัชามิดังนี้บาลีคืนผ้าให้อุก่าอิมานิจีวราณิอายสัมโตดามิดังนี้ ท่านเจ้าคืนท่าเหล่านี้ให้กัท่านถ้าท่าผืนเดียวอยู่ในที่ไกลอยู่ไกลนอกขัตตบานออกไปเพราะว่าเอตังเมอวุโสหรือว่าเอตังเมพันเตจีวะรังเดส า, าหาติ ก, กันตานิหรือว่าส า, าหาติกันตังนะจะเป็นผืนเดียวถ้หลายผืนก็เดสาหาติกันตานินิสักิยานิเป็นเอตาหังอายสัมโตนสัชฌานิจะอยู่นอกขัตตบานดังนี้ คืนผ้าให้ก็ว่าเอตังจีวรังอายสมโตทำมิขับเจ้าขอคืนผ้าผืนนั่นให้แต่ท่านหลายผืนก็เสียสละว่าเอตานิเมอาวุโสหรือว่าเอตานิเมพันเตจีวรานิเนสาหาติจันตานินิสกิยานิเอตานาหังอายสมโตนิสัชามิคืนผ้าให้ก็ว่าเอตานิจีวระังอายสมโตทำมิดังนี้ เพื่อรู้จักเนื้อความแห่งบาลีเหล่านั้นด้วยหรือจะถือเอาเนื้อความว่าด้วยภาษาไทยก็ได้อิมานิจีวรานิแปลว่าผ้าทั้งหลายนี้เอตังจีวรังก็แปลว่าผ้าผืนนั่นเอตานิจีวรานิก็แปลว่าผ้าทั้งหลายเหล่านั้นถ้าไตรจีวรนสามผืนเป็นนิสสกีบาลีเสียสนับแปลว่าอิดังเมอวุโสหรือว่าอิดังเมพันเตจีวรังเอกะรติเวปปวุปวถังอัญญตระภิกขุสัมปติยานิสสกียัง อิมาหังอายสัมโตนิสัชามิแปลว่าถ้าตราจีวรของข้าพเจ้านี้อยู่ปราจากแล้วราตรีหนึ่งเป็นนิสักีเว้นจากภิกษุสมุทข้าพเจ้าเสียสับผ้านี้แก่ท่านภู้มีอายุและผื้นเดียวก็ว่าอิดังเมอาวุโสจีวรังถ้าแก่กว่านี่นะก็ว่าอิดังเมพันเตจีวรังเอกรัติงวิปปวุฒังอัญญตรังพิกุตสมะติยา นิสักียังอิมาหังอายสัโตนิสัชามิสองผืนก็ว่าอิมานิเมอาวุโตหรือว่าพันเตจิวดานิก็อความละก็เหมือนการ น, นิสัชามิในผ้าสามผืนนี้ผืนใดผืนหนึ่งเป็นนิสักีจะกล่าวตามชื่อก็ได้ว่าอะยังเมพันเตสังคาติงเอกรตัติงวิปปะวุฒาอัญยตระพิกุส ม, มัติญานิสักียาอิมาหังอายสโตนิสัชามิ ดังนี้หรือว่าอยังเมพันเตอุตราสังโคหรือว่าอยังเมพันเตอันตตะวาสโกเอการัติงวิปวุโทโถอัญจตราพิกุสมัติยานิสกิโยอิมาหังอายสัสนโตนิสชามิดังนี้อยู่ไกลพึงว่าเอตังหรือว่าเอตานิทลายผืนเอโสหรือว่าเอสาแล้วแต่ตามผืนเดียวและมากผืนเถิด ถ้าเป็นบาตรล่วงสิบวันเป็นนิสกีก็พึงเสียสละว่าอะยังเมอาวุโสหรือว่าอะยังเนพันเตปัตโตดาัาหาติดกันโตนิสกิโยอิมาหังอายสัมโตนิสตชามิแต่ว่าบาตรของข้าเจ้านี้ล่วงสิบวันไปเป็นนิสกีข้าเจ้าเสียสละบาตรนี้แก่ท่านผู้มีอายุถ้าหลายไปก็ว่าอิเมแล้วก็เมพันเต ปัตตาดาสาหาติกันตานิสกิยาอิมาหังอายะสมโตนิสัชามิดังนี้ถ้าเป็นของแลกเปลี่ยนกับพระรหัดเป็นนิสกีคุณเสียสนะว่าอาหารอาวุโสหรือว่าอาหารพันเตนานัปการกลางกายวิกยังสมาปัดชิงอิดังเนอาวุโสหรือว่าอิดังเมพันเตนิสกียังอิมาหังอายะสมโตนิสัชามิดังนี้ แม้ของอื่นที่เป็นยศขีก็พึงถือเอาบาลีนวิพังแห่งสิกขาบทนั้นๆมาเสียสละตามของสิ่งเดียวและมากอยู่ใกล้และไกลเถิดแต่รูปียะและของที่ซื้อมาด้วยรูปียะและบาที่พิกจุมีบาที่ผูกห้าแห่งย่อนอยู่ขอมาแต่คนใช่ญาติขอมาแต่คนที่ไม่ใช่ญาติสามอย่างนี้พึงเสียสละแก่สองอย่างเดียวถ้าสงสัยอยู่พึงบอกความสงสัยซะก่อนแล้วจึงเสียสละ เพื่อป้องกันมุสาวา ด, ดังถ้าไอจกไรจิวรนสงสัยอยู่ว่าจะยังไม่ได้อธิษฐานล่วงสิบวันไปพึงบอกว่าถ้าผ้านี้จะไม่ได้อธิษฐานแล้วไซเมื่อเสียสละเสียดังนี้ก็จะเป็นกัตยยะควรแก่ข้าพเจ้าบอกดังนี้แล้วก็พึงเสียสละโดยในดังกล่าวแล้วก่อนเทิดด้วยว่าเมื่อบอกให้รู้ดังนี้แล้วทําวินัยกรรมไม่เป็นมุสาวาตแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจ สงสัยแล้วก็เกิดไปแสดงเลยว่าตัวเองเป็นไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนีมันก็อาจจะมีส่วนทําให้เดือดร้อนใจเพราะว่าเข้าขายมุสาวาดแต่ว่าก็แสดงความสงสัยว่าไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็สงสัยก็แสดงความสงสัยก็ทําให้ไม่เป็นมุสาวาดอันหนึ่งในวันอุโบโสถหรือว่าในวันปวารณาสงสัยอาบัติอยู่พึงบอกตามความสงสัยแต่ก่อนแล้วจึงทําอุโบสถหรือว่าทําปวารณา หรือว่าไปฟังปฏิโมกหรือว่าไปทปําปวารณาเนี่ยอย่าพึ่งทําอันตรายแก่อุโบสถหรือว่าปวารนานั้นเพราะไม่แสดงอาบัติและนั่งนิ่งไว้เพิ่งเข้าไปหาพิจุรูปหนึ่งทําผ้าห่มชว่วยบาข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่าอาหารอาวุโสถหว่า อ, อาหารพันเตเอกิตาทุลจายะอาปัฏิยาเวมติโกยะดานิเบมติโกภวิสามิ ยะดาตังอาปาติปฏิกริษามิแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหรือว่าข้าแต่ท่านผุ้มีายุข้าพเจ้าสงสัยอยู่ในอบัตถุทุลใจตัวหนึง่งคราวใดจะสิ้นสงสัยคราวนั้นจึงจักทําคืนอบัตถนั้นถ้าสองตัวก็ว่าอาหังเอาโศหรือว่าอาหังทันเตดวีตุทุลัจจยาตุอาปาตีสุเวมติโกยะดานิเบมติโกภวิสามิต ด, ดาตาอาปติโยปฏิกริสามิ ถลายตัวก็ว่าสัมบาหุลาสุถุลัจยาสุถ้ามีวัตถุต่างกันก็ว่าสามบาหุลาสุนานาวัตถุกาสุถุลัจยาสุในถุลจัยเหล่านั้นแม้อาบัตอื่นก็ให้เปลี่ยนชื่อในบทว่าถุลจัยตามตัวเดียวและสองตัวและมากตัวและวัตถุต่างๆกันเถิดในอันทะกัตถะกะถากล่าวว่าถ้าไม่ติ้นความสงสัยเลย แม้จะทักวัตถุแล้วแสดงก็ควรไม่ชิ้นความสงสัยยังสงสัยอยู่นั่นแหละทักวัตถุกระแสดงเลยตรงๆวิธีแสดงดังนี้ถ้าเมื่ออาทิตย์เมฆติดอยู่สงสัยว่าจะเป็นเช้าหรือว่าบ่ายแล้วฉันของฉันไซให้พิสุนั้นพึงทักวัตถุบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยอยู่ฉันถ้าเป็นการเช้าอยู่ไซข้าพเจ้าได้ต้องทุกขตาบัดทั้งหลายมาก ถ้าเป็นวิการไซส์ก็ต้องปาจิตติยาบัตทั้งหลายเป็นอันมากดังนี้แล้วซึงแสดงว่าอาหังอาวุโสหรือว่าอาหังพันเตญ่าตัสมิงวัตถุสมิงสัมบะหุลาทุ ก, กตาว่าตาจิตติยาว่าอาปติโยอาปันโนตาปฏิเดเสมิแปล ว, ว่าข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอับัตอันใดเป็นทุกข์กดหรือปาจิตติมากหรือกันไม่แน่ใจทุกข์กดหรือว่าอับัตปจิตติก็ไม่รู้เลย แต่แสดงแล้วล่ะว่ามันเป็นแน่นอนก็คือถ้ายังไม่เที่ยงนี่ก็ต้องอาบัตทุกกฎหลายตัวเพราะว่าผืนฉันไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเลยเที่ยงไปแล้วก็ต้องอาบัตปายเจตีหลายตัวเพราะว่าสันอหารในบริการเพราะวัตถุนั้นข้าพเจ้าแสดงอาบัตทั้งหลายนั้นต่อไปผู้รับ ก, ก็พึงกล่าวดังในก่อนนั้นเถิดก็คือท่านเห็นอาบัตนั้นหรือข้าเจ้าเห็นอยู่ไปท่านจงรองสํารวมต่อไปดีละข้าเจ้าจะระวังสํารวมต่อไป อันนี้ก็เป็นการปลดเรื่องนะทำให้ไม่ทะวะัตพวงทำให้มีหิริอตะตะปะมีสติสัมชัญะญมีความละอายต่อบาปเพิ่มขึ้นก็จะได้ระวังสํารวมต่อไปในอาบัตทั้งปวงนอกนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นอันหนึง่งที่สุแสดงหรือรักสภาคาบัตเป็นทุกกฎด้วยตรงห้ามไว้ว่าณพิขเวสภาคาอาป ต, ติเดเสตบาก็คําละปติกเทเสตบาแปลว่า อับดับเป็นสภาคะกันก็คือเหมือนกันพิกษุอย่าทุนแสดงถ้าแสดงต้องทุกกฎอันหนึ่งอับัับเป็นสภาคะกันภิสูจอย่าพึงรับถ้ารับต้องทุกกฎถ้าแสดงคนแสดงว่าบัดทุกกฎถ้ารับคนรรับว่าบัดทุกกฎอีกแต่ว่ารับกับแสดงนี่มันอับัตบคนละอันกันนเพราะนั้นถ้าแสดงคืนอีกทีหนึ่งก็หายเหมือนกันพิกษุนสองรูปต้องอับัติด้วยวัตถุเป็นสภาคะคือเรื่องเดียวกันเป็นต้นว่าฉันอาหารในเวลาวิการด้วยกัน อบัติที่เป็นวัตถุสภาคะกันเช่นนี้แหละเรียกว่าสภาค า, าบัตดจะแสดงและรับกันไม่ควรแต่ผู้ต้องอบัตพราะฉันในเวลาวิการจะแสดงในสำนักแห่งที่สุผู้ต้องอบัตพราะฉันอนัติริตะโภชนะก็คืออาหารที่ไม่ได้เป็นเดนห้าพัดและปิชฌอาหารที่ไม่ได้เป็นเดนนี้ต้องอบัตภะจิตีอย่างนี้แสดงกันได้ควรอยู่ก็แต่แม้อบัตอันใดที่เป็นวัตถุสภาคะกันแม้อบัตนั้นแสดงเข้าแล้ว ก็เป็นอันแสดงด้วยดีแท้แต่ผู้แสดงก็กลับต้องทุกกฎอื่นเพราะแสดงผู้รักก็ต้องทุกขกดอื่นเพราะรักอวบัตินั้นชื่อว่าวัตถุต่างๆกันไปเพราะเหตุนั้นจะกลับแสดงแป่กันและกันอีกก็รควรก็ควรแต่ว่าให้รู้นะว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วยังขืนไปแสดงอีกเป็นอารัชีแปลงต้องอวบัติเป็นอารัชีก็ไม่มียางอายนะไม่ควร แต่ว่าถ้าเผลอไปไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไปแสดงสภาขาบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันแสดงแต่ว่าต้องอาบัติทุกกฎตัวหนึง่งอันหนึ่งเมื่อฟังปาติโมกหรือปรวรณาอยู่ระลึกอาบัติได้ก็พึงบอกกับพิจุที่อยู่ใกล้ตามชื่ออาบัติว่าอะหังอาวุโสหรือว่าอะหังพันเตเอกังทุ ล, ลจะยังอาปัตติงอาปันโนอิโตุทธะหิตตวาตั้งอาปัตติงปฏิกริสามิแปลว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติทุลจใยตัวหนึ่งลุกไปจากที่นี้จัดทําคืนอาบัตินั้นถ้ า, าบัตสองตัวและมากตัวและวัตถุต่างๆและอาบัตอื่นก็พึงประกอบคําดังก่อนนั้นเถิดพึงบอกกัางนี้แก่ทิศุซึ่งเป็นสภาคะด้วยว่าเมื่อบอกแก่ทิศุซึ่งเป็นวิสภาคะความทะเลาะวิวาทแนสองประเทศเป็นต้นจะมีเพราะเหตุนั้นอย่าบอกแก่ทิศุที่เป็นวิสภาคะ พึงผูกใจว่าเราลุกไปจากที่นี้จัดแสดงเสียแล้วทําอุโบสถหรือรว่าทําปวรนาไปเถิดถ้าสงสัยอยู่เราไซก็พึงบอกแก่พิสุที่นั่งใกล้ตามความสงสัยดังก่อนนั้นเถิดถ้าในอาวาสอันหนึ่งในวันอุโบสถหรือว่าวันปวณาก็ตามสงทั้งปวงต่องสถาธาบัตด้วยกันทั้งหมดพึงส่งพิสุรูปหนึ่งไปในอาวาสใกล้ในวันนั้นว่าท่านจงไปแสดงอาบัตมาเราจะแสดงอาบัตในสำนักของท่าน ถ้าได้ดังนี้เป็นความดีถ้าไม่ได้ไซให้พิโุผู้ฉลาดพึงสวดประกาศใน่าำกลางสงว่าสุ ม, มาตุเมพันเตสังโฆ อ, อายังสับโบสังโฆสถาทางาังอาปัจจิงอาปโนยนดานยังภิุขงสุทธังอนาปิตังปฏิ ส, สติต ด, ดาตาสาสันติเกตังอาปัจิงปฏิกริ ส, สติ ดังนี้แล้วก็ทําอุโบสถหรือว่าทำตวรณาเถิดถ้าสงสัยอยู่ก็พึงสวดประกาศในสงว่าสุ ม, มาโตเมผัณเตสังโฆอยังสัพโบสังโฆสภะขายาปฏิยาเวมาติโกยาดานิเบมาติโกภเวสติตัด า, ดาตังอาปฏิเริสติดังนี้แล้วก็ทําอุโบสถหรือว่าทําตวรณาเถิด ถ้าในที่สู่เหล่านั้นเธอองค์หนึ่งสําคัญว่าแสดงสภาสาบานนั้นควรถ้าเกิดมีคนที่เข้าใจอย่างนี้นนะาแสดงสภาสาบานนั้นนะควรและแสดงในสำนักที่สู่อีกรูปหนึ่งไซส์แสดงแล้วก็ชื่อว่าเป็นอันแสดงด้วยดีแท้เธอทั้งสองนั้นก็ต้องอาบัตต่างวัตถุ ก, กันไปคือที่สู่ที่รับก็ต้องเพรารับที่สู่ที่แสดงก็ต้องเพราะแสดงทุกคนดังกล่าวแล้วก่อนเพราะเหตุนั้นพึงกลับแสดงแก่กันและการเสียอีกด้วยเท่านั้น เธอทั้งสองก็เป็นผู้ไม่มีอบัตพิสุกธุ์ทั้งหลายอันเศษก็คือพิสุท์ที่เหลือเนี่ยพึงแสดงหรือว่าบอกสภาคาบัติในสำนักเถธอทั้งสองนั้นเถิดพิสุทธต้องอบัตอยู่ฟังปาติโมกหรือทําปวรณาต้องทุกกดในกุทกษสิกขากล่าวว่าตาราชิกสังคธิเศษเป็นอเทสนาคาไมนีก็คืออย่าแสดงแสดงไม่ได้เป็นอบัตที่แสดงไม่ได้และอย่าแสดงอนาบัติ ท้าไม่เป็นอาบัตก็อย่าไปแสดงไม่เป็นอาบาัตเป็แสดงทํำไมเป็นแสดงตามประเพณีก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์แสดงอนาบัตนี่ก็รู้สกันด้วยก็ถามว่าท่านเห็นอาบัตหรือบอกว่าครับปัสสีอุสโวเนี่ยอามาพันเตเห็นอยู่ไม่ได้มีอาบัตสักหน่อยนึงเดี๋ยววดีโอไปเข้าข่ายพมูสาวาดอีและอาบัตที่แสดงแล้วก็อย่าแสดงอีกถ้าเป็นอาบัติไปแล้วแสดงไปแล้วก็ไม่ต้องมาแสดงอีก และอย่าแสดงแก่พิสูจที่เป็นนานาสาังวาสซึ่งนานาสาังวาสเขจะมีสองอย่างนานาสาังวาสเพราะกรรมกับนานาสาังวาสเพราะลัทธินานาสาังวาสเพราะกรรมกับเพราะว่าถูกยกวัดก็คืออุเคปัิยกรรมเพราะว่าไม่สแสดงคืนอาบัติไม่เห็นอาบัติแล้วก็ไม่สนะพิฐิเฉื่ชั่วช้าไม่สัตยสิทธิคืนถูกลงอ OK ุเคปัญญยกรรมอันนี้เรียกว่านานาสาังวาสก็ห้ามไปสแสดงอาบัติด้วยแล้วก็พิสูจที่ประพฤติตามพิสูจนที่ถูกยกวัดนั่นก็เป็นนานาสังวาสเพราะลัทธิ ก็ไม่ควรไปแสดงอาบัตด้วยและอย่าแสดงแก่ผู้ที่ตั้งอยู่นอกสีมาอย่าแสดงกับผู้ที่อยู่นอกสีมาสีห้ารูปจะไปแสดงเพียงแต่สี่ห้ารูปเลยอย่าแสดงในสำนักทิตรูปเดียวพร้อมกันไปนแสดงกับพิธีรูปเดีแต่แสดงพร้อมๆกันนี้ก็ไม่ควรอย่าแสดงด้วยใจอย่างเดียวไม่ทําวทีเพศแสดงในใจอย่างเดียวอาบัตไม่ดุพึงแสดงในสำนักทิตรูเปเดียวพร้อมกัน ผู้ไม่ต้องอันติมวัตถุก็คือไม่ต้องพระราชิกหรือสงไม่ได้ยกวัตหรือสงฆ์ไม่ได้ยกอุโบสถและปรณาแก่เธอคือไม่ได้ห้ามอุโบสถไม่ได้ห้ามปรณาท่านแสดงอับัตแก่ท่านได้เธอเหล่านั้นชื่อว่าเป็นปกตัดคือพิสุปกติอันหนึง่งอับัตต่างๆอย่าแสดงเป็นตัวเดียวก็คือถ้าเป็นอับัตหลายตัวอย่าไปแสดงตัวเดียวนะว่าพําเจ้าต้องอับัตตัวหนึ่งอันนี้แสดงว่าอับัตอื่นๆก็ไม่หลุดแต่ถ้าเป็นอับัตตัวเดียวแสดงสัมภุลานีลด แสดงว่าเป็นอ บ, บัติมากเนี่ยหลดุดชื่อว่าแสดงด้วยดีต้องปาราชิกแล้วปัตติยาตนตามเป็นจริงมละเพศที่ตุเสียชื่อว่าแสดงปาราชิกบางที่ก็แสดงว่าอว บ, บัตปาราชิกนี่เป็นเทศนาคามีด้วยก็คือเมื่อต้องแล้วก็ไปบอกว่าข้าพเจ้าเป็นปาราชิกแล้วละเพศไปอันนี้ก็ทําให้บริสุทธิ์สามารถประพฤติธรรมจัรทร์สามารถบรรลุมากผลก็ได้นะมีตัวอย่างได้บรรลุเป็นพระสกท า, าคามีพระสุาานทภัณก็มี ในอคีขันทูประมาะตูดั้นเป็นพระราชิกแล้วก็ไปเป็นพข้าหัดตําเพนตรายจิกขาทําให้บรรลุเป็นพระเ ย, ยบุคคนมีแสดงในอธิกถาอัชราสังคาประมาตรในเอกนิบาต ท, ทุ ก, กนิบาตในอังคุจตรนิกายว่าบรรลุเป็นพระสวสดบิบาลพระสัจธรรมีก็มีเทสนากถาก็จบวันนี้ก็สมควรกับเวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้จัดทาในพระรัตนตรัยแล้วก็ได้จัดทาในการที่จะฝึกอบรมกายวาจาด้วยกัน ศึกษาในอธิเสธและศึกขาเพื่อเกื้อกูลแก่อธิจิตตศึกขาและอธิปัญญาศึกษาก็จะได้เจริญด้วยอินทรีห้าเพราะว่าอธิเสรและศึกขานะั้นเป็นการประกาศสัจตินีเมื่อมีสัจตินีแล้วเพิ่มพูนวิริยะก็ทําให้เป็นยุรยินรีทําให้สติมั่นคงมากขึ้นคนมีศีลดีนี่ก็ทําให้สติมั่นคงมากขึ้นสตจตินรียก็เจริญเมื่อมีวิริยะมีสติก็ทําให้สมาธิซึ่งเป็นสมาตินรีก็ตั้งมั่นขึ้นด้วยเพราะว่า คนที่ไม่เดือดร้อนไม่มีวิปัสสานก็คือเป็นอวิปัสสานก็จะทําให้มีปราโมทปีติมีปสัสสธิมีความสุขกระทำใหเกิดสมาธิก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาซึ่งเป็นปัญญิีรี่ก็ขอให้ปัญญีห้าประชุมพร้อมกันในจิตใจของท่านเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลโดยการในเนินชานี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ